ใน้ไ้ร่วงร่วงอนิจจังได้ได้ร่วงร้วนทุกข์ขมได้ดร่วงร้วนอนตัตตากลมเกลืน ก, กันอยู่แทนาในปัจจุบันอนดีตคืออะไรคือไตรลักษณ์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือตรลักษณ์ที่ยังม า, มาถึงปัจจุบันคือตรลักษณ์ที่กำลงังไปอยู่ไตรลักษณ์กับสังขาร กับอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีความหมายอันเดียวกันไตรลักษณ์กับความเกิดขึ้นแล้วไปผวนในแตกสลายก็มีความมันเดียวกันมีความหมายเดียไตรลักษณ์กับอนิจจังกับทุกขออ์สัมยุทธ์อยู่กับ <Pain>. สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนสัมยุทธ์อยู่ก็มีความหมายอันเดียวกันในโลกบรรจุอะไรอยู่บรรจุไตรลักษณ์อยู่สิ่งใดเกิดขึ้นสิงนั้นก็แปผวนในดับไป ใครจะรู้รู้ไหมลูกก็ไม่เป็นปัญหาเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแลใครจะให้คะแนนไปทางอื่นหรือไม่ให้คะแนนไปทางอื่นก็ไม่เป็นปัญหาอันนั้นก็มีอิสระเกิดขึ้นในระดับไปอยู่หาระหว่างไม่ได้เช่นคําพูดแต่ละวัดระบาดพูดขึ้นแล้วก็ร่วงไปนึกคิดแต่ละวัดระบาดนึกขึ้นแล้วก็ร่วงไป ตาเห็นโลกส่งลงถึงใจแล้วก็ล่วงไปเห็นอีกก็ส่งอีกก็ล่วงไปอีกนะแต่พึ่งๆติดต่อคันเป็นสายเสียงกระทบหูขอเหมือนกันกระทบแล้วก็ส่งลงถึงใจก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปความสุขมีหรือไม่ในโลกสุขสองสามีสุขสุขอิงอามิตรนิรามิตรสุขสุขไอิงอามิตร นิรามิจะทุกทุกไว้เองอามิตรทุกก็มีสองสุกก็มีสองแลก็เกิดดับเป็นเหมือนกันทิ้งนั้นที่เกิดดับสิ่งนั้นก็ไม่พ้อนอำนาจของทุกอยู่ในตัวสุขของกระหักไปอยู่สี่อย่างสุกเกิดแต่ความไม่ซับสุกเกิดแต่จใหญ่ซั์บริโภค พอดีพองามสุขเกิดแต่ความไม่เป็นนี้เป็นศินของท่านผู้ใดสุขเกิดแต่ทํางานที่ปราศจากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อํานาจอนิจจงอีกไม่กี่ลังยั่งยืนมีลาบหนึ่งไม่มีราบหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งนินทาหนึ่งสรรเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกหนึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เพระแ ป, ปแรปวนได้แจกกระจาย ไม่กี่หลังยังอื่สังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นก็ดับในอดีตคําพูดใดที่พูดในอดีตคําพูดนั้นก็ล่วงไปแล้วคําพูดใดพูดในปัจจุบันคําพูดนั้นก็ล่วงซึ่งน้าอยู่ในปัจจุบันคําพูดใดจะพูดในอนาคตคําพูดนั้นก็จะดับในอนาคต การนึกคิดก็เหมือนกันเพริบหูพริบตาก็เหมือนกันหายใจเข้าออกก็เหมือนกันชีพระจรเดินก็เหมือนกันยังเย็นเยะสมุทยะธรรมังซับพันตังนิโรธาธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นจิงนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับศูนเป็นธรมรมดาคืออนิจจังอันละเอียดนะเมื่อเห็นอนิจจังชัดก็เห็นโลกชัดแล้ว สองทะลุภูเขาพระภูเขาก็จะแต ก, กระเจิงเป็นสองทภุแผ่นดินแผ่นน้เนี่กยาธรรมาจากสุขคือปัญญาจากสุขจากสุขคือปัญญาจากสุขคือดวงตาที่ไหนบังมันก็เลไม่เห็นส่วนปัญญามันทะลุหมดเห็นดินน้าไฟลมคณะที่หนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเพราะ โลกเต็มไปด้วยดินน้ำไฟลมเห็นความเกิดแก่เก็บตายคณะที่หนึ่งก็เห้โลกรอบหนึ่งเพราะโลกเต็มไปด้วยเกิดแก่เก็บตายผู้ใดเป็นผู้หลงไม่รู้ตามเป็นจริงก็คือกิเลสใครเป็นผู้รู้ตามเป็นจริงก็คือสติปัญญาปัญญะปฏิสุทธิสติบุคคละบอปฏิสุทก็เพราะ ปัญญาจะ บ, บอกดีสุดเป็นชั้นๆไปอะปัญญาโลกรมิปัจโชโตแสงสว่างเสมอรวยปัญญาไม่มีแสงสว่างในพระอาทิตย์ก็ดีมีที่กำลังเช่นที่มืดก็สองไม่ถึงส่วนปัญญาส่องทะลุเลยเห็นอ น, นิจจังทนาชคิดหนึ่งเห็นโลกงด นับแต่พระ ม, มโลกลงมาอยู่ใต้อํา น, นาจอนิจังทั้งนั้นตลอดถึงสิ่งที่มีวิญ ญ, ญาณครองสิ่งและไม่มีวิญ ญ, ญาณครองสิ่งก็ตั้งอยู่สภาพเดิมไม่ได้เช่นใบไม้อย่างนี้เกิดขึ้นเพื่อหล่นเออใบไม้ต้นนี้ดกจริงหรือผลละไม้ต้นนี้ดกจริงแต่มันก็หล่นลงหมดเหมือนกันคนจะมีมากสักเท่าไหรก็มีเพื่อมา เกิดมาแก่มาเก็บมาตายเท่านั้นถึงจะแพร่หลายออกระตามมนุษย์ก็แพร่ออกเท่าใดก็เกิดก็แก่ก็เก็บก็บาตายเท่านั้นแผ่นดินแค่ไม่มีที่อยู่พราะคนเหลือแผ่นดินแผ่นดินก็แตกสลายเป็นเหมือนกันเช่นแผ่นดินไหวเป็นต้นในรัชกาลที่หกมีคนละเมือง สิบสี่ล้านเศษเดี๋ยวนี้หกสิบล้านแล้วหรือไหนจะให้แผ่นดินยังอยู่เท่าเก่ามันก็ไม่ไม่เหลือละเพราะมันไม่มีที่ปลูกเรือนมันก็ต้องขยายออกไปไม่มีที่ทํากินมันก็ขยายออกไปเพราะปลูกเรือนบนอากาศไม่ได้พระบรมศาสดา ทรงสรรเสริญโลกหรือไม่รุตีตีติแปรผู้ย่อห ย, ยับไปไม่ทรงให้คะแนนเลยไม่ได้ใส่ป้ายไล่สีอะไรพูดตามเป็นจริงถ้าความจริงไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ความจริงได้พระบรมศ า, ศ า, ศาลาความจริงมีอยู่ก่อนเราจรึงสามารถรู้ได้เรารู้ความจริงนี่มันเป็นหลังฉากของความจริง ความจึงมีอยู่ก่อนเนีคยับทำไม่อยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ได้ถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้เหตุนั้นเราจึงเคารพธรรมพบรมศาสตาพระบรมศาสนาดีอะไรบ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีดีอะไรบ้าหรือมีแชื่อเรืองนามเฉยๆหรือเป็นนิยายเฉยๆไม่มีพระพุทธเจ้าหรือมีอยู่พระพุทธเจ้า ทุกุกทุกสมัยทุกการทุกเวลาคำสอนของเราทศกัณฐ์นั่นเองจะเป็นศาสดาแทนเราชาวโลกทั้งหลายยาวฟากันประมาทเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรงกันเลยจะมาเกี่ยล่าพระองค์ก็มาตรงกันเลยไม่รบล่าพอโรอโบโกันเลยทำปกครองโลกยืนหยัดยืนยันก็ว่ายืนหยัดก็ว่า ทำให้โลกาบาลสองอย่างคือควบคุมค้มของโลกสองอย่างหนึ่งให้ิความละอายต่อบาดทุดจริตสองอดตะปะสรุ่มกลัวต่อบาดทุตจริตทำสองประการ น, นี้จะปกครองโลกถ้าโลกไม่ละอายต่อบ า, ไบาดไม่กลัวต่อบาดแล้วกฎหมายก้หมูก็อทักดกดพวกกดชาวโลกจะตั้งมาชี้น่งร้า น, า น, ม, น ม, มันก็ไม่อยู่ อู๋ของทําไม่นํำกำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิเงเองอาศัยชาวไตรโลกาอย่าประมาทพระพุทธศาสนาเถิดถ้าชาวโลกมีชิ้นหาบริบูรณ์สงครามก็ไม่มีตารวจทหารก็ไม่มีเครื่องรบราคาปันกันก็ไม่มีโรถตรวนก็ไม่มีเงื่อนจําก็ไม่มีขายของก็ไม่ต้องเฝ้า นอนก็ไม่สะดุ้งตวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างโรคเอสดก็ไม่มีโรคน้องในฝีมะม่วงก็ไม่มีเพราะมันมีขอบเขตนะเพื่าใครเมียใครไปด้วยกันได้ทางน้ำการฆ่ากันก็ไม่มีเครื่องดักสัตว์น้ําฉันบก็ไม่มีเครื่องสัตราอาวุธก็ไม่มีทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมี ก็ะ่วงการโหงก็ไม่ต้องตั้งกฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากตั้งเพียงงบประมาณหน้าพาที่อวกรก็พอแล้วเรือนจําก็ไม่ต้องมีเวรยามก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าอันนั้นราคาตอนนั้นอันนี้ราคาตอนนี้ก็เขียนไว้ตอนเย็น ก็เอากระเป๋ามาเก็บเอาเขาเก่งจลมพัดหนีเขาก็เอาอะไรทับไว้ทําไมเราจึงอาบนา้ําพระร่างกายมันสกปรกทาไมเราจึงปฏิบัติศีลธรรมพระกิเลสมันมีจริงเกลี้ยงโกโกดงมันมีจริงเกลี้งเหตุนั้นจึงปฏิบัติศีลธรรมเพื่อให้รถหย่อนเน้่มีเบรกและห้ามล้อ มีพระพุทธศาสนาแทบแฟงอยู่ในโลกจึงได้ยินว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ค, ح, คนนุณพี่คุณน้องคุณหนูคุณยายคุณเพื่อนสวัสดีหรือสวัสดีออเอาออกมาจากไหนเอาออกมาจากอายุวันโนสุขังพลังของพระนั่นเอง ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกนี้กลิ่นของโลกจะเป็นยังไงก็คือกลิ่นเหม็นทเราดีๆนี่พระฝังและเผาไม่ทันน้ำหนองน้ำหอยหนองขออมือบางต่างๆก็มีแต่น้ำเลือดน้ำหนองแมลงวันหึ่งเลยพระฝังและเผาไม่ทันมีอยู่ทุกยามยา่าข่ากันตายงายกันไม่ะ รักเกล้่รักปร้นวิ่งไล่วิ่งล า, าววิ่งไทยวิ่งจีนมาจากไหนก็มาจากร่วงละเมิดอาชินนาทาตาเมก็เหมือนกันมุสาก็เหมือนกันโชรากเหมือนกันน่นเหตุนั้นจึงเห็นคุณค่าพระพุทธศาสนาไม่มีประมาณด้วยกฎหมายของชาวโลกใดๆที่ตั้งขึ้น ไม่มองดูคำสอนองพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเพราะผลของกรรมเมยอยู่ที่กล่าวว่าไม่พระเป็นการบ้านการเมืองนั้นห้ามเพียงไหนอะไรบ้างพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผี ต, ตัวไหนสัดชาเทวมนุษย์ซาลังคำสอนของพระบรมศารา สั่งสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอา้าคาราวา่าประพฤติต่อพิจูสำมานิยอย่างไรบ้างมันมีในพระไตรปิกของคำสอนของพระพุทธเจ้าหนึ่งด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองโดยวิธีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามโดยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาทีด้วยความเป็นผู้ไม่เป็นประตู คือห้ามให้เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อาให้อารมิตสถานพิกษุสมนเณีได้รับบำรุงชนิดแล้วย่อมอนุเคระาะห์คราววาดด้วยสถานหกหนึ่งห้ามไม่กระทำความชั่วสองแนะ น, นำให้ตั้งอยู่ในความดีสาอนุเคราะห์ด้วยน้มใจอันงามชีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ถ้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่พบบอกทางสวรรค์ให้มีพระมีในพระไทยไปดกถ้าไม่อย่างนั้นก็เอาแผเป่าไฟจริงสักไม่ต้องนอนเฝ้ากันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งนัดทำตีโทรเอกหรือมหาปรียนสามหรือเก้าเรียนผ่านไปทั้งนั้นได้ท่องได้บนกันทั้งนั้น จึ่งไหนที่พระพุทธเจ้าไม่สอนไม่เลยหเหตุนั้นจึงยืนยันว่าพระพุทธศาสนาสอนโลกเป็นสันติภาพแล้วสันติความสงบภาพก็คือสุขภาพอยู่ในความสงบไม่มีเวรใภยัยแก่กันและกันลดเวรภยัยถ้าศีลห้ามีบริบูรณ์กับชาวโลกแล้วชาวโลกการ แย่งชิงพ่นสะดมกันหรือรบราับฟันก็ไม่มีเลยเห็นหน้าเห็นตากันก็เป็นเมตรเป็นสายทางนั้นไม่ได้จิตแวงสงสัยเลยรักชีวิตตนยังไงก็รักชีวิตท่านผู้อื่นอย่างนั้นรักสิ่งของของตนยังไงก็รักสิ่งของของตนอย่างของท่านผู้อื่นอย่างนั้นรักลูกรักเมียล้านเหลน เราแบบไหนไม่ให้ใครอยากร่วงละเมิดก็รักท่านผู้อื่นอย่างนั้นเคารพ ก, กันอย่างนั้นเราไม่ต้องการพูดปดหลอกลวงท่านผู้อื่นก็เหมือนเราเราไม่ต้องการคนเชื่อเมาท่านผู้อื่นก็เหมือนเราเมามาแล้วก็เสียทรัพย์ก่อการทะเลาะวิวาสเกิดโรคต้องตีเตียนไม่รู้จักอายทอนกำลังปัญญาพระบรมศาสดา สอนได้หดเลยไม่มีที่ไมส่สอนสอนถั่วกับเมียพรบรมศาราก็สอนหนึ่งด้วยยกย่องรับถือว่าเป็นภรรยาสองด้วยไม่ดูหมิน่นสามด้วยไม่ประพฤติล่วงใจ 4. ีด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัวภรรยาได้รับบำรุงชนี้แล้ ว, วยอมอนุเคราะ์สามีด้วยจะฐานห้า หนึ่งจัดการงานดีสองสมเกล็กคนข้างเคียงของผัวดีสามไม่ประพฤติล่วงใจผัวชีรักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้ข้อหา้าขยันไม่เกียจคร้านในจิตการทา้องปวงถ้าผัวกับเมียมีสองข้อมีคนละห้าข้อมีข้อวัดอย่างนี้แล้วการทะเลาะเบาะแ่งจะมาจากประตูใดละ่ะมันก็ไม่มีมีแต่ความสุขความเจริญ ้นาไม่มีการทะเลาะเบาแวงกันเลยในระหว่างวิดามันดากับลูกพระบรมศาสดาก็อสอนส่วนวิดามันดาท่านลงทุนแลว้วหนึ่งห้ามรกระทความชั่วสองแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสี่หาปรรยาและสามีที่สมควรให้ ห้ามอบทรัพย์ให้ในสมัยส่วนลูกนี่หนึ่งท่านเลีเลยงมาแล้วเรียกท่านตอสองทําจิตธระของท่านสามดำลงวงะกูลสี่ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกก็ห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่านนั่งการคบมิตรท่านออก็บอมิตรแท้สี่จำพูก หนึ่งเ ม, มีอุปการะสองเม็ดรวมสุขรวมทุกสามเม็ดเนี่ประโยชน์สี่เม็ดมีความรักใคร่เม็ดสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรพบหนึ่งเมตรมีอุปการะมีรักสนั่นสี่หนึ่งป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วสองป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วสมเมื่อมีใครเอาไปนในเพึ่งนความรักได้สี่เมื่อมีช่วยละช่วยออกทรัพเกินให้เกินกว่าที่ออกปาก สองเม็ร่วมสุร่มทุกในลักษณะสี่หนึ่งขยายความรับของตนแก่เพื่อนสองปิดความรับของเพื่อนไม่แพร่งพายสามไม่ละทิ้งในยามวิบัติสีแม้ชีวิตก็อาสระแทนได้สาเม็ดประโยชน์มีลักษณะสี่หนึ่งถ้าเมตรรทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงาม สี่บอกทางสวรรค์ให้สี่มิตรมีความรักใคร่มีลักษณะสี่หนึ่งทุ ก, ก็ทุกด้วยสองสุขก็สุกด้วยสามโตเถียงคนที่พูดติเตือนเพื่อนสีรับรองคนพูดสนรเสริญเพื่อนนั่นมีมดมิตรสี่จ๊ะพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรคพบพลลอมัสตาล า, ามิตรปฏิรูป คือคนเทียมมิตรไม่ควรครบหนึ่งคนปอลอกรอกสองคนดีแต่พูดสามคนหัวประจบสี่คนชักชวนในทางเชี่ยวฝายคนสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรไม่ควรครบหนึ่งคนปลอกลอกเปรับสณะสีหนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้เพื่อนน้อยขอคิดเอาของเพื่อนมาก สามเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับทำกิจธุระช่วยเพื่อนสี่ก็เพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวสามคนเ้องปจบมีลักษณะสี่หนึ่งจะทำนีก่อคล้อยตามสองจะทำชั่วกอคล้อยตามสามต่อหน้าก่อวาสนาสนศสริญสี่รับหลังตั้งนินทาสี่คนชักชวนในทางชี้หายมีลักษณะสี่ หนึ่งสักนดื่มหน้าเมาสองสักวนเที่ยวกลางคืนสามสักวนให้เมาเมาในการเล่นสี่สักวนเล่นการประนังเมธสี่จ้พวกนี้ไม่ใช่เมดเป็นแต่คนเทียมเมดไม่ควรครับพระพุทธศาสนาสอนสิ่งไหนพระบรมศาสดาไม่สอนไม่มีเลยเราจะเก่งจะเพียงอะไรก็ตามก็เล่มข้างขององค์ท่านนั่นเอง พระท่านสอนหมดแล้วคาราวาท่านก็สอนหมดแล้วพิกุสุสะมณีท่านก็สอนหมดแล้ ว, ทวเทวุฒิเทวดาท่านก็สอนหมดแล้วพระหทหารท่านก็สอนหมดแล้ว สัทธังสัพพยัญฉะนังเกวระปริคุณังปริสุทธังเฝมิจาริยังประกาเสสิบริบูรทัศอัตถ์ทั้พยัญชนะสิ้นเชิงแล้วแต่มหาวัคควันตังอภิปูรยามีสามมหาวัคควันตังศีตาสานามาอนี้เหตุนั้นเราจรึงรอมกาบไหวไม่ได้กาบไหวแบบพวกโง่ ถ้าคำสอนของเราไม่ยังไม่บริบูรณ์เราก็ไม่ยอมเข้าสู่พระนิพพานคำสอนของเราบริบูรณ์แล้วเราจึงจะลาพวกท่านไปละทีนี่นะพระบรมาศาล า, ศ า, ศ า, ศาท่านทั้งหลายจงเอาคำสอนของเรานั่นจะถือเป็นอาจารย์แทนเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราผู้ใดเคารพธรรมผู้นั้นก็เคารพเรา ผู ais, are, will, witness, be, ้ใดปฏิบัต <the> ิทำก็เรียกว่าผู้นั้นปฏิบัติเราหรือปฏิบัติตนเองด้วยถ้าผู้ใดไม่เห็นทำผู้นั้นก็ไม่เห็นเราและผู้นั้นก็ไม่เห็นตนเองด้วยผู้ใดปฏิบัติทำก็คือผู้นั้นปฏิบัติเราก็คือผู้นั้นปฏิบัติตนเองด้วยผู้ใดทิ้งทำก็เรียกว่าผู้นั้นทิ้งเราก็เรียกผู้นั้นทิ้งตนเองด้วย อัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจก็มีความหมายอันเนี้ไปนอกจากกายไ ม, ม่อันมีอันใดจะเป็นที่พึ่งของใจนอกจากจกายก็ไม่มีอันใดจะเป็นที่เบียดเบียนใจใจทําดีตอนไหนใจก็ไม่ได้เดือดร้อนตอนนั้นใจทําชั่วตอนไหนใจก็เดือดร้อนตอนนั้นนั่นเรียกว่าผลของใจ ไม่ได้ตอนเข้าคขอกยากเหมันโคและกระบือ้อทำดีก็มาหาใจทำชั่วก็มาหาใจที่นี้เขาก็มาให้หลวงปู่พูดมาก <c oughs> เขาจึงได้เอาอันนี้มาให้หลวงปู่พูดเกรงว่าหลวงปู่จะพูดดังว่ามันเป็นโรคหัวใจตีบจงเลือกไม่ฟันคนมีนิ ด, นดเดียวทําไมหลวงปู่พูดใส่อันนี้ก็เขาห้ามให้หลวงปู่พูดดังมันคัดต่อ มันคัดต่อเลือดสงไปไม่ทันทำไมหลวงปู่จึงพูดอย่างนี้เพราะน่าสงสารพวกกรุงเทพมาบางคนปนมาสองคนพูดราไม่ฟังฟังไม่ออกเลยเดี๋ยวบางทีเราพูดจนจบเรื่องเราไปถามใครเป็นคนกรุงเทพยกมื อ, มอขึ้นมีสองสามคนเออมันก็ไม่รู้อนี่หนูอันนี้อะไร สิ่งที่ชิบหายบัญญัติว่าเจริญสิ่งที่เจริญก็บัญญัติว่าชิบหายมันก็ไปไม่รอดมันก็ไม่บานหน้าไปทางเจริญทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีอุดมคติเป็นหัวหน้าวัตถุนิยมก็ค่อยเป็นไปเองถ้าวัตถุถ้าอุดมคติไม่มีวัตถุนิยมก็พลอยเป็น คัดคล้องไปด้วยพอะอ d o มคติเป็นหัวจักของวัตถุนิยมวิบั ต, อติอนะุดมคติแน้ววัตถุนิยมก็วิบัติเหมือนกันเพราะหัวจักเสียจิงแล้วนี่หัวจักคืออะไรก็คือใจเราดีๆนี่เองนอกจากใจไม่มีอะไรจะทำดีให้ใจ นอกจากชั่วนอกจากไกลก็ไม่มีอะไรจะทำชั่วให้ใจใเท่านั้นมีอิสระที่จะทำดีใจเท่านั้นมีอิสรทะ ท, ท, ท, รที่จะทำชั่วทำชั่วตอนไหนไหนใจก็เป็นผู้ได้รับผลตอนนั้นนั้นทำดีตอนไหนไหนใจก็ได้รับผลดีในตอนนั้นนึกเมตตากรุณาในเดี๋ยวนี้ผลของความเมตตากรุณาก็มาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้จึงจะมา นะเมื่อเวียนเวียนโมโหโทโเดี๋ยวนี้ผลของความโมโหโท่โศก็มาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พุ่งนี้จึงจะมานั่นนั่นนั่นนะเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะไปติเศตกรรมและผลของกรรมไปทางใดละ่ะมันจึงจะหนีไปพ้นน่ะเออกรามในใครก่อก็จิตใจมันโุกขก่อขึ้นใช่ไหม นายทุนคือใครก็คือใจของตนเองนี่เองใช่ไหมนี่นอกข้ามาใส่ตัวแล้วนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะหลงใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะรู้เท่าใจใจเท่านั้นรู้เท่าใจใจเท่านั้นหลงใจถ้าใจไม่หลงใจจะให้ผีตัวไหนมาหลงถ้าใจไม่รู้เท่าใจจะให้ตผีตัวไหนมารู้เท่า เหตุใจอันใดผลของใจอันนั้นก็นำมาหาใจเหตุใจไปทางดีผลของดีก็นามาหาใจเหตุใจไปทางชั่วผลของใจก็นำมาหาใจใจใดไม่มีกามวิตกความส่งเสริมในกามใจใดไม่มีพยาบาทวิตกความส่งเสริมในทางพยาบาทใจใดไม่มีวิงหาวิหิงสาวิตก ไม่ส่งเสริมในการเบียดเบียนใจนั้นถึงพระอนาคามีแล้วใจใดไม่ยึดถือตนว่าเป็นใจใจเป็นตนไม่ยึดถือผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้ไม่ได้ยึดถือว่าปัจจุบันอดีตอนาคตเป็นตนตนเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตไม่ยึดถือสิ่งใดๆ ใ, ในโลกใจนั้นข้ามทะเลหลงของเจ้าตัวไปแล้วธรรมคุณศาสตร์ขนาดละเอียดขนาดไหม เอ้าพระรหา์รักษาใจหรือไม่แต่พวกเรายังไม่พ้นทุกข์ทำไมรักษาใจมันก็พิดจริงจิงท่านทุกค้นแล้วท่านรักษาไหมท่านก็แม่รักษาถ้าพระรหา์รักษาใจอยู่พระรหารก็เปรียบเหมือนคนคุมนักโทษก็เป็นทุกข์ใจจะตายเพราะเกรงว่านักโทษ ทำอันตรายแก่ตนด้วยจะรักหนีด้วยตนจะเป็นโทษด้วยเหตุนั้นพระหัตจึงไม่ได้รักษาใจพระใจไม่มีอุปาทานไม่มีใครไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่มีเหตุมีผลอยู่ในที่นั้นถ้าไม่ยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจไม่ยึดถือผู้ลู้เป็นตนตเป็นเป็นผู้ลูกเป็นแต่สักว่าลูกเป็นแต่สักว่าใจ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 ใช่นี้ขวัศว่าใจไม่ใช่สักบุขคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุกขนาพิจารณาธรรมที่เป็นปุกสนเลืออกผลเทบังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมี้ก็วัศว่าธรรมไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาเนียกธรร ม, มานุปัสนาแต่พวกเรามันมีกิเลสอยู่เออเออเขามาข้ามขาอย่างนี้มึงไม่รู้จะ ก, กูหรือเปล่าเดีคนตายมาเลยว่าพราะวิญญาณมาอยู่ในเทนั่ง น้ําั้นถ้าเขามาเคาะหัวนี่มือไม่รู้จะกูดีเลยโป้งเลยเพราะอะไรเพราคอยยึดถือส่วนพระทหารท่านมายึดถือท่านแยกออกเป็นท่านดินท่านน้ำท่านไทยท่านลมผู้สร้างบา ร, รมีแก่ข้ามาแล้วผู้บา ร, รมีอ่อนก็สอนให้ยินดีในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทมสมบัติเป็นลําดับไปผู้บา ร, รมีแก่ข้ามาแล้ว กาสอนในยินดีในพระทัพานสมบัติหน้าเดียวให้รีบด่วนออกเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังเมื่อเธอยังไม่มียาน่าพ้นทุกข์ในวัตฏสงสายเธออย่าไปนอนใจเทวราชกษัตริย์เดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังไฟไหมหัมวพวกเธออยู่ทุ่งนี้พวกเธอจึงจะดับมันจะถูกไหมนี่ธรรมะชัน้นสูง ต้องเรียบดับซะธรรมารมศาสตร์ทำแต่ระเบิดระบาดต้องเรียกใครมาอยู่ลูกเอ๋ยล้านเอ๋ยพ่อข้า ม, มาแล้วมาเถิดมาเถิดที่นั่นวุ่นวายที่นั่นขัดข้องเกิดแก่เก็บตายโรค ก, กดลงพ่อข้า ม, มาแล้วหมายความว่าผู้ที่สร้างบา ร, รมีแก่กล้า ม, มาแล้ว ทมแต่ระบาระบาทส่งต่อพระนี่ผานหมดเมื่อสีสูงสมาธิและปัญญาก็สูงเพราะปัญญาเป็นนายหน้าของธรรมทุกหมวดปัญญาของพระโสดาบันปัญญาสักขาคามีปัญญาของพระอนาคามีปัญญาของพระอรหันจะเอามาเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันพระโสดาบันปัจจุบันสักขาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระรหัจะเอามาเทียบกันก็ไม่ได้ นโมพระสัทธรรมนโมสัการามีนาคามีนรหันจะเอามาเทียบกันก็ไม่ได้นโมแปลว่านอมน้อมพระสัทธรรนอบนอบ้นอมจนไม่ใช่ได้อยากกระถือศาสนาอื่นเบากายสวายชีวิตแต่อว่าพุทธภาษประสงค์อยู่ทุกเมือ่อเลิกได้ไม่เลกได้ก็ดีไม่นับถือศาสนาอื่นมาปนเปเลยนั่นพระสัทธรมไม่ใช่ได้ร่วงระเบิดเช่นห่าเลยไม่ใช่ได้ร่วงระเบิดอบายยมุกเลย ไม่เสียดายอยากจระจองเวรท่านผู้ใดเลยไม่เสียดายอยากจะครบมิจชั่วแต่ไม่กระเทือนเขาไม่เสียดายอยากค่าขายเครื่องปรหานค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเลยเรื่อสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำมานค้าขายยาพิษการค่าขายห้ายอย่างนี้ก็ดีหรือสิ่งที่เราที่เล่ามาแล้วนั้นก็ดีพระสัตว์ต่านไม่เสียดายร่วงละเมิดเลยเพราะได้ดวงตาเห็นธรรมเลวเห็นอันนี้จังชัด เมื่อเห็นอา น, นิจังชัดก็เห็นโลกรอบหนึ่งเพราะโลกจะไปด้วยอา น, นิจังความเมที่ยังเห็นทุกทรัพยุด์อยู่ในตัวด้วยเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนทรัพยุ์อยู่ในตัวด้วยพร้อมกับรงให้ใจเข้าออกก็เห็นไม่ไว่แต่ไม่ต้องการนั่นแปลว่าผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วทำคำสอนของพุทธศาสนาเป็นโลกุรัฐทางนั้นไม่ใช่โลกีที่เอาโลกีมาพลไป เอาคำสอนศาสตราอื่นมาปนไปแล้วก็กาวตูพระพุทธศาสนาว่าเป็นโลกีไอ้ที่แท้เพราะพระพุทธศาสนาเป็นโลกุตระทางนั้นวันที่โตคัตมาวะสังบัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนก็คือผู้มีศีลห้าบริบูรณ์นั่นเองเป็นผู้ครองเรือนก็บานหน้าไปสู่พระนิพพานถ้ามัมีศีลห้าไปหาพระนิพพานก็ฝืก เหมือนลากไหมทางปลายไม่ใช่ได้ร่วงละเมิอดอบาัยญามุกถ้ายังล่วงละเมิอดอบายญมุกอยู่ก็ไม่ใช่พระโสดาบนันถ้ายังจะจองเวรท่านผู้ใดู้หนึ่งอยู่ก็ไม่ใช่พระโสดาบนันพระโสดาบันไม่จองเวรท่านผู้ใดเลยเคยได้ทาผิดเข้ามาแจกชาติก่อนก็ให้แล้วกันไปซะเข้ามาขอใหม่ก็ให้ <ters> แล้วกันไปซะเราจะไม่จองเวรท่านผู้ใดเลยนั่นภูมิพระโสดาบนัน ไม่ขอเบ็ดช่วยแต่ไม่ให้กระเทือนเขาเขาบอกให้ลืม่มโุดาเออครับเพราะเป็นโรคอันนั้นโรคอันนี้โรคอะไรโรคบาปแต่ไม่อธิบายถ้าอธิบายมันจะทะเละกันผมเป็นโรคครับขออาภัยมากมากยกมือแตงหัวแล้วก็ผ่านไปเลยไม่ให้กระเทือนเขาแล้วก็รูปเป็นหลีกรูปปลี ก, ปกเป็นหางไม่ค้าขาย เรื่องประหารสัตว์น้ำสัตว์กบกและแห้อวนและมีไม่มีน้องปูน้องปลาน้องกุ้งไว้ตะขายไม่คอยขายไม่ค้าขายสัเป็นและเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าพอเป็นอาหารไม่ค้าขายนําเมาทุกชนิดไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายสัตตาอาวุธดวงต้นมีแต่เครื่องก่อสร้างเท่านั้น นันภูมิพระโสดาบันบานหน้าไปสู่พระนิพพานถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันก็ยังมือดอยู่ยังไม่มีไมม่ียังไม่เห็นวนทางไปสู่พระนิพพานถ้าถึงพระโสดาบันแล้วก็เปิดวนทางไปสู่พระนิพพานเลยถ้ายุงมากัดมึงเถอะถ้ากูไม่รักษาศีลกูจะเอาให้มึงเรียบถ้านึกอย่างนั้นก็ไม่ใช่พระโสดาบันไม่ใช่ได้อยาฆ่าเลยะ ทำไมจะมาเสียด้ยถือว่าเป็นเวรไทยจริงจริงเวรไทยจำพวกนี้ปิดประตูแล้วเวรไทยในร่วงละเมิดชิ้นห้าก็ปิดประตูแล้วไม่ใช่ยดายร่วงละเมิดชิ้นห้าเพราะร่วงละเมิดชิ้นหก็มันก็มีแต่เวรเอาดีๆนี่เองเวรฉลองเวรไปฉลองไปก็เลยไม่เช่ยดายร่วงละเมิดสิ่งไหนไม่เช่ยดายร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจ เหมือนเราไม่ใช่ลายลงลุยหลุมด่านเพลิงมันหนักกจไหมมันก็ไม่หนักใจกเราไม่ใช่ลายเอาน้าลายคืนมาอีกมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจกเพราะเหตุใด <c oughs> เพราะเห็นว่ามันไม่ประโยชน์ไม่จะโทษล้วนๆคนความดีคนดีนดทำาไรง่ายคนดีคนชั่วทำาะดรยากคนชั่วคนชั่วทำาไรง่ายมูดคูดมาแรงวันกินง่ายแต่ไม่แรงพึ่งไม่ฝันเลย จงนผู้ใจถึงในทางทำดีอย่าไปพูด ใ, ใจถึงในทางทาชั่วเลยชีวิตนี้มีน้อยนะักหายใจเข้ามาออกก็บอกว่าตายหายใจออกไปเข้าก็เล่าว่าตายโกชัญญามรณังโศยใครจะรู้ได้ว่าความตายมาในวันพรุ่งนี้การทำความเพียรเผาเกเรตทําวันนี้ดีกว่าวันุ่งนี้ อธิษฐนานวนกระเบียะผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ร่วงแล้วมาคล้องอยู่ในใจอัปปัตัญจะนาคาตังสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่มาถึงปัจจุบั น, นันจโยธรรมผู้ใดเห็นสีนธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอนแย่นคอนเคลนเลยอานนท์อานนท์แลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งวันว่าร้อยครั้งพระเจ้าข้า เออเธอยังประมาทอยู่ไอ้นุ่์ทุกลมให้ใจเข้าออกยิ่งดีนะ อ, อ, อ, อภาวนาฉันทะพอใจและไข่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรวันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจพระไฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตทองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ คุณที่อย่างนี้มนบริบูรณ์แล้วอจาจจ้างนำบุคคลในถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งวัยนะครับวิสัยสัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยาเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้จติเล้อชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้เนี่ยว่าพระคือทําในกําลังห้าจเป็นเชือกห้าเกลียวเหนียวอยู่ที่ดวงใจ ศีลก็มปนเชือกสามเกลียวเหนียวอยู่ที่ดวงใจสมาธิตั้งมั่นอยู่ในที่ดวงใจศีล ส, สมาธิปัญญาภาคกันไม่ได้เมื่อปัญญาสูงศีล ส, สมาธิก็สูงเมื่อปัญญาขนาดกลางศีล ส, สมาธิก็ขนาดกลางเมื่อปัญญาต่ำศีล ส, สมาธิก็ต่ำ ชินสมาที่ปัญญาของพระสวัสดิบาลชินสมาที่ปัญญาของสักขาคามีชินสมาที่ปัญญาของพระอนาคามีศินสมาที่ปัญญาของพระหลานรวมพลกันในปัจจุบันจะเอามาเทียบกันก็ไม่ได้เพราะมีกําลังต่างกันปัจจุบันพระสวัสดิบาลปัจจุบันสักขาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระหลานจะเอามาเทียบกันก็ไม่ได้เพราะมีน้ําหนักต่างกันปัจจุบันพระพจิระปัจจุบันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยิ่งไปใหญ่อีก จะเอามาเทียบกับพุทธชนคนหนาก็ไม่ได้อีกปัจจุบันชาปัจจุบันราชสีน้ำหนักต่างกันทาคำสอนแต่ทวรารบาดส่งต่อพระนิพพานทั้งนั้นนโมพระสวัาบาลไม่ใช่ได้ร้องระเรบิดชินห้านโมแปลว่าน้อมน้อมนโมสกตาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นนโมพระอนาคามีไม่ส่งเสริมกามมัววิตก นโมนอ้นอมน้อมจนไม่ส่งเสริมกามมิตรตกความตรินในทางกามความส่งเสริมในทางกามพยาบาทมิตกความส่งเสริมในพยาบาทมีหญิงสาวมิตกความส่งเสริมในทางเบียดเบียนไม่มีในพระอนาคามีเลยเรียกว่านโมพระอนาคามีนโมพระทหารพระทหารเรียนนโมจบแล้วไปว่านอ้นอนมน้อมนโม หลักของนโมแปลว่าน้อมน้อมแต่น้อมน้อมต่างกันพระอหันตน้อมน้อมจนไม่มีรรคไม่ปวดไม่หลงน้อมน้อมจนไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกเกดน้อมน้อมจนไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอีกเรียกว่าพระอหันต์เรียนนโมจบแต่นโมโรกีนโมเลกนโมผานโมบัตต์นโมเบอเพราะทาคำสอนอันเดียวกัน จิตผู้ใดอยู่ระดับใดก็ดึงทำคําสอนขึ้นไปอยู่ระดับของตัวเองใครเรียนไตชนาคมจบคมจนไม่มากเกิดแก่เก็บตายอีกคือพระทหารพระทหารเรียนไตชนาคมจบแล้วพระสอดาบันเรียนไตพร ะ, สะนสนนคมไม่ใช่ได้ร่วงระเมิดศีลห้าไม่ใช่ได้ร่วงอาระเมิดอาวายามุขไม่ใช่ได้จากกระจองเวรท่านผู้ใดไม่ใช่ได้ค่าขายกับืประหามนุษย์ ค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตตาอาวุธค่าขายสัตว์เป็นและเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าไปเป็นอาหารค่าขายน้ำมอค่าขายยาพิษดังที่กล่าวมาแล้วนั้นนำ้ำโมตัวเดียวอความช่าเหนียดต่างกันปัจจุบันอันเดียวกันก็ชําเนียดต่างกัน ปัจจุบันระสวัสดิ์ันปัจจุบันสกษาคารีปัจจุบันพระนาคายปัจจุบันพระนารายณ์เรียนปัจจุบันจบแล้วไม่ติดข้องอยู่ในปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตเลยไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีของทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเอาปัจจุบันเป็นพยานเห็นอนนี้จังชัดในปัจจุบันอันนี้จังในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นทุกชัดในปัจจุบันทุกในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัย เห็นดินน้ำไฟรมในปัจจุบันดินน้ำไฟรมในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยถ้ามอย่างนั้นถ nah ้ามาอย่างนั้นก็ไม eh ่มีท่านผู้ใดจะข้ามทะเลหลวงของตนไปถ้าไม่ยึดถือปัจจุบันเป็นตนตนเป็นปัจจุบันผู้นั้นข้ามทะเลหลงไปแล้วถ้าไม่ยึดถือผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้ข้ามผู้นั้นก็ท่านผู้นั้นก็ข้ามทะเลหลวงไปแล้วเราภาวนา ภาวนาเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงไม่ใช่จะหอบไปพระนิพพานด้วยนิมิตตั้งหลายก็ไม่ใช่จะหอบไปพระนิพพานด้วยเช่นภาวนาไปเห็นนิมิต ส, สว่างไสวกาดีเห็นแก้วก็ดีเห็นอะไรก็ดีไม่ใช่จะเอาไปพระนิพพานด้วยให้รู้ตามเป็นจริงเฉยเฉยนิมิตก็ไปว่าเครื่องหมายหมดกําลังก็ถอนออกมาเหมือนกันนั่นคืออนิจจังอันละเอียดนะกรรมาฐานใดใดที่เข้าไปนะ่นพลับเข้าไปไม่มีอารมณ์ แล้วก็เงียบสงัดอยู่มดกําลังก็ถอนออกมานั่นคืออนิจจังอันละเอียดจัดเข้าในอนิจจังทุกขังอนัตตาอันละเอียดแม้สมาธิทั้งปวงก็อยู่ใต้อํานาจอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันละเอียดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าตายคาสมาธิก็ไปเกิดพรมโลกหลายชั้นตามฐานันดรของของชานยังไม่พ้นทุกข์ ทำไมท่านเจ้สอนให้เป็นสมาธิสอนให้ยืนดูสิ่งของทั้งหลายถ้าไม่ยืนดูมันไม่ชัดเมื่อสมาธิมันถอนออกมาแล้วเราก็จะได้เข้าใจชัดว่าเอออันนี้ก็อยู่ใต้อำนาจอันนี้กลางมันถอนออกมาแล้วไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาใดๆทั้งสิน้นผู้พูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็มันกันใครเป็นผู้พูด ก็คือวจีสังขารนึกขึ้นแล้วเขพูดก็าล่วงไปล่วงไปแต่ละคำละคำละคำละคำนึกขึ้นแล้วก็ล่วงไปแต่ละคำละคำละคำอันนี้คืออ น, นิจจังอนละเอียดเหมือนอนาฬิกามันเดินกับกับกับกับอยู่เราก็บอกว่าได้เท่านั้นเวนาทีเท่านี้เวนาทีแต่มันก็ล่วงไปซึ่งหน้าเราให้เห็นอยู่สังขารได้เกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นจะดับในอดีตสังขารได้เกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นก็ดับ ระดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขนารนั่นก็ดับในปัจจุบันคําพูดใดๆที่พูดในปัจจุบันก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปพูดใหม่ก็ล่วงไปอีกก็เป็นรอบเก่านั่นเองคือรอบอนิจจังนั่นเองนึกคิดก็เหมือนกันเอา้าลม่มหายใจเข้าออกพอเราบันดว่าต้นลมก็กลายมาเป็นกลางลมก็กลายมาเป็นท้ายลมแล้วก็มาเป็นต้นลมกลางลมท้ายลมอีกไม่มีข้างหน้าข้างหลังอีกนั่นนั่นนั่น่น รู้พระนิพพานตามเป็นจริงของพระนิพพานรู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารรู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันรู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตรู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตแต่ไม่ให้ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามเราพิจารณาดินดินจึงจะมีเราพิจารณาน้ำน้ำจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาร่มร่จึงจะมีอันนั้นไม่ถูกมันมีก่อนเราแล้วเราจึงพิจารณาเห็น ถ้าไม่มีก่อนเราเราก็พจายามาเห็นเรามาเห็นสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเรารู้ตามเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมีก่อนเราแล้วถ้าทําให้มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทาได้เพราะบรมศราสดาถ้า ม, มีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทาได้เหตุ น, นั้นเราจึงเคารพทำเราจึงยอมกราบไหว้ทำไม่สาคัญตัวอยู่ไหนทำเลยเทำไปมาทรงอยู่ทรงไห้ซึ่งโลกีเรียกว่าโลกีทำ ท้องวาังโลตระเรี่วอาโรคุตระธรรมโรภุตระธรรม4ีคู่โัวดาปิมาคตัวดาวปิผลตากตาไคมาคตกตาผลอนาไคมรคอนาัยผลอนาตมาคอนาตผลนับเรียงบุคคลเป็น8นับเป็นคู่ตัวดาวปิมาคเป็นคู่ ปฏิโซดาปฏิผลเป็นคู่ที่หนึ่งสักาคาไครมัคสักทาไคมผลเป็นคู่ที่สองอนาไครมัคอนาไคมผลเป็นคู่ที่สามอารัตมัคอารัฐตะผลเป็นคู่ที่สี่นี่ทราข่าวโตทราบข่าวั้งโกนี่เนื่อยสาวของพระพุมีพระ้าเจ้าเอาเนายโยปลาเอาเนยโยทักเกนยอนเฉลียกเรีนยโนโยอนุตรังปุญญะเกตังโลกัตสาติควรกราบไหว้ผู้ไหว้ไม่ต้องกระด้างกระดือและเป็นเศษบุญของโลก เป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของกาบว่าเป็นผู้ควรเป็นผู้ควรบูช า, าพระพทธศาสานาสอนววาอย่างนั้นเมื่อนิยมว่ามหานิกายนี้ธรรมยุตเป็นสาวกของท่านเมื่อนิยมว่ารับที่ใดๆเป็นสาวกของท่านนิยมว่าสุปฏิปโนชุยายะสามีท่านันเป็นสาวกของท่านนับเป็นคู่ ไม่ยอมว่าสายนั่นสายนี่สายครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้เป็นสาวกของข้าร่างเราภาวนาภาวนาเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงไม่ใช่จะหอบไปพระนิพพานด้วยนิมิตทั้งหลายก็ไม่ใช่จะหอบไปพระนิพพานด้วยเช่นภาวนาไปเห็นนิมิตสว่างสวัยก่็ดีเห็นแก้วก็ดีเห็นอะไรก็ดีไม่ใช่จะเอาไปพระนิพพานด้วยให้รู้ตามเป็นจริงเฉยเฉยนิมิตก็ไปว่าเครื่องหมาย หมดกําลังก็ถอนออกมาเหมือนกันนั่นคืออนิจจังอันละเอียดนะกรรมฐานใดๆที่เข้าไปนะพลับเข้าไปไม่มีอารมณ์แล้วก็เงียบสงัดอยู่หมดกําลังก็ถอนออกมานั่นคืออนิจจังอันละเอียดนะจัดเข้าในอนิจจังทุกขังอนัตตาอันละเอียดนะแม้สมาธิทั้ทงปวงก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขัง อานาตาอันละเอียดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าตายคาสมาธิก็ไปเกิดพรมโรคหลายชั้นตามฐานันดอนของของชานยังไม่พ้นทุกข์ทำไมท่าเนเจียงสอนให้เป็นสมาธิอนให้ยืนดูสิ่งของทั้งหลายถ้าไม่ยืนดูมันไม่ชัดเมื่อสมาธิมันถอนออกมาแล้ว แล้วก็จะได้เข้าใจชัดว่าเอออันนี้ก็ อ, อยู่ใต้อํานาจอันนี้จังมันถอนออกมาแล้วไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาใดๆทั้งสิ้นผู้พูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็มันกันใครเป็นผู้พูดก็คือวชีสังขารนึกขึ้นแล้วก็พูดก็ล่วงไปล่วงไปแต่ละคําละคำละคำละคานึกขึ้นแล้วก็ล่วงไปแต่ละคําละคำละคาอันนี้คืออันนี้จังอันละเอียดเหมือนนาฬิกามันเดินกับกับกับกับอยู่เราก็บอกว่า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 แต่ไม่ให้ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามเราพิจารณาดินดินจึงจะมีเราพิจารณาน้ํำน้ำจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาร่มล่มจึงจะมีอันนั้นไม่ถูกมันมีก่อนเราแล้วเราจึงพิจารณาเห็นถ้าไม่มีก่อนเราเราก็พิจารณาไม่เห็นเรามาเห็นสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเราลู่ตามเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมีก่อนเราแล้ว ถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทาได้เพราะว่ารมศาสดาทํามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทาได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทำเราจึงยอมกราบไหว้ทำไม่สาคัญตัวอยู่ไหนทำเลยเอะทำเป็นว่าทรงองงงรยู่ทรงไว้ซึ่งโลกีเรียกว่าโลกีธรรมทรงไว้ซึ่งโลกุตระเรียกว่าโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมสี่คู่โทดาปิมักโทดาปิผลสักตาไคยมักสกลาไคยผลอาาไคยมักอาณาไัยผลอาณาตมักอาหัตตผล นับปรียังบุคคลเป็นแปดนับเป็นคู่โซดาปัจมัคบุคุทิปิโซดาปัจผลเป็นคู่ที่หนึ่งสักคาคายมัคสักทายเคายผลเป็นคู่ที่สองอนาคายมัคอานาคายผลเป็นคู่ที่สามอระรตมัคอะระหัตผลเป็นคู่ที่สี่เอสาวกวาโตสาวกทั้งโกนี่เนื้อสาวของพระพุมีผ้าเก้าอ้าวเนยโยปาอ้าวเนอยโยทักเนยโยชลีเนยโยอนุตรงังปุญญเกตังโลกัสตสาติควรกราบไหว ผู้ไหว้ไม่ต้องกระด้างกระดือและเป็นเขตบุญของโลกเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของกราบไหว้เป็นผู้คว ร, ว เ, ปควรเป็นผู้ควรบูชาพระพุทธศาสนาสอนว่าอย่างนั้นเมื่อนิยมว่ามหานิการนี้ธรรมยุตเป็นสาวกของท่านเมื่อนิยมมาลัทธิใดๆเป็นสาวกของท่านนิยมว่าสุปฏิปโนชุบ ย, ยะยะสามีเท่านั้นเป็นสาวกของท่านนับเป็นคู่ ไม่นีย่ยอมาสายนั้นสายนี่สายครูบาอาจารย์องนั่นองนี้่ภาษาพวกของข้างผู้ใดไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดศีลห้าไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดอบายยมุขไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่โยงคงกระพันไม่ใช่ได้อยากจะถือหลักดียามดีไม่ใช่ได้จะถือรัฐที่อื่นนอกนอกจากพระพุทธศาสนาผู้นั่นก็คือพระโสดาบัน ไม่ใช่ใดอยากจะจองเวรท่านผู้ใดรูด้วยโปรดอยู่แต่ไม่จองเวร่อยได้ทําผิดเข้ามาแต่กราชาก่อนก็ให้เล่ากันไปซะเข้ามาก่อใหม่ก็ให้เล่ากันไปซะหรือเราไปก่อเขาก็ให้เล่ากันไปซะจะไม่จองเวรท่านผู้ใดนั่นภูมิพธธระัทวาวันเห็นนั่นจึงปิดประตูนรกเปิดอสุรากายสัตติรชานเมื่อเช่นลมปาณ ไม่มนุษย์ก็สวรรค์เทวโลกหรือพมมาโลกอย่างต่ำอย่างสูงก็าสามารถถึงภายในภายในปัจจุบันชาติอีกซะด้วยจริงแล้วนี้เป็นหน้าที่จะรู้จักทั้งนั้นเดินทางไม่มีเข็มทิศเดี๋ยวหลงตาย <c oughs> <c oughs> เขาข้ามทะเลเขาก็ต้องมีเข็มทิศเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ไม่ถูกฝัง เขาข้ามโลกข้ามประเทศเขาก็มีอาศัยเข้มทิศเหมือนกันพวกนักบินมิฉะนั้นอะไรประชนภูเขาตายหรือตกทะเลตายน้ำมันก็หมดปฏิบัติเพื่อคนทุกขนะ์ในตตฏสงสารปัญหาไม่มากทำไมจึงปัญหาไม่มากพระเห็นชัดในโลกทั้งปวงแล้วจึงปัญหาไม่มาก เหนอ น, นิจจังคณะคิดเดียวก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วพราะโลกทำไปด้วยอ น, นิจจังมิแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน้ตตาสังขาราประมาทุกขาสังขาเป็นทุกอย่างยิงย่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอ น, นิจจังมันทุกอย่างยิ่งก็มีความมายอนยาวกันเมื่อเห็นชัดอย่างนี้แล้วความอะไรในโลกทั้งปวงก็เบาบางลงห้ามเบรกนะ้รับก็ยินดีในพระานดิ่งเลยเอาแล้วน่าทีนี่เหนื่อยอ่ะ ยะาบริวาภราบริปเรติะกำลังเอวมวิธีนเปตานังอุปกรปฏิทิตางปฏิตางตูมานคิดมจพรนังปาจันโทปะระโสยธาบริโชตระโสยาสตโยโยวัตนสุะปพภิณาตุมาเทพวัตันตรายโยุกิจิยาโยโคโลอภิวาธนสีิสานิจมุาปจาโยชะตาโรธมาวัทันติอายุวันสุขังภะัง